ต, ตอนนี้ไปต็อขอทุกท่านตั้งใจฟังธรรมธิบายสักครู่หนึ่งวันนี้ก็ต้องเวลามากหน่อยเนี่ยเต็มหน้าก็เสร็เพราะว่าพระ บ, บทใหม่มีมากและก็กำลังจะบทเข้ามาอีกถ้หากว่าเราไม่พูดส่วนที่มีความสงคัญและรลอนแลมที่สุดให้เข้าใจ ดีไม่ดีการบวชของท่านคกลายไปคืนไปรบไปใดยเฉพ่ออย่างยิ่งวันนี้ก็อยากขอพูดเรื่องของพุท ธ, ธจริตแต่แก่อนที่พูดก็เรื่องพุทธะจริตก็ขอแนะนำท่านที่บังเอิญจะใหม่จะมาใหม่หรือว่าเก่าคนขณะที่รับฟังควรจะรับแต่อารมณ์ไว้ด้วย ที่เวลาที่เราฟังนี่ไม่ต้องภาวนาเพียมแค่เพียงว่ากำนรู้ลมให่ใจเขาออกตามไปแล้วหูฟังใจคิดตามคิดพิจริรนาไปด้วยดีไม่ดีผลก็จะมีมีผลมหาศาลในที่นี้เราสมาาน พอให้เราเห็นภาพนั้นเราแจ่มใสดั้งเดิมได้ต่างความเป็นจริงทุกประการด้วการที่จะมีลองจิตแจ่มใสเป็นปุกติหมายความว่าเวลาที่อยู่ธรรมดาจิตก็แจ่มใสไเวลาเจริญสมานได้ได้สมาธิจิตจิตก็แจ่มใสมีอารมณ์สองตัว พิจารณาวิปัสนาญาณจิตก็แจ่มใสเวลาที่ใช้มโนยิธิจิตก็แจ่มใสอารมณ์ยิ่แจ่มใสนี้ได้จริงๆก็มีจุดหนึ่งในจริตนั่นก็คือพุทธาาติแต่จิตใจทุกคุคคลใดมีอารมณ์ใจใช้กรรมฐานในพุทธาจติเป็นเครื่องควบคุมจิต ก็เป็นอนุาพทุกท่านจะแจ่มใสทุกเรี ย, ย, ยบทนั่งก็แจ่มใสยืนก็แจ่มใสนอนก็แจ่มใสเดินก็ยยแจ่มใสอารมใจก็ไม่ต่อมองท่ า, ทานี้ว่าอะไรเพราะว่าพุทธญาณกรรมฐ า, านสี่อย่งางเป็นกรรมฐานปฏิบัติเสี่อวิปัสน เรื่องใป็นการเหมาะสมกัมบรรดาที่ประสมให้หลายหมวดก็ามาในพระุทธศาสนาที่เราพากันกล่าวว่านิพานักจัสจิกริยายะเอตังกาสาวังขะเิตวาเรื่องแปลเป็นเจตความว่าข้าพเจ้าขอรักษาสาวะพัฒเอทำให้แจ้งสิ่งผนิพันในเรื่องของพระ ระตอมีศีลสมาธิปัญญาทรงตัวถ้าบุรณะไม่มีศีลไม่ ม, มีสมาธิไม่มีปัญญาทรงตัวก็หมายถึงว่าลงมารกกันแน่นอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งครั้งว่าพิสุร่วมก็เป็นผู้มั่งผงมีการเหมนกันเรื่องบรว่าสมาคมนี้เราเรียกกันว่าสมาคมปรมจจันร์ คำว่าคมจันแปลว่ามีความประพุติอย่ากเปิดเนั่นคือเมงที่ผ่านเป็นสำคัญอีกไม่กหลักที่เราจะสอนจิตของเราสบายแต่พรท่านจะมีธรรมฐานสี่พื่อหนึ่งมรณานุสติกรรมฐานถ้าทุอคนทุกท่านจงคิดไว้เสมอ ว่าชีวิตของเรามีมีความตายเป็นอันที่สุดในการตายก็เราก็ตายไปทุกวันร่างกายที่เราทรงอยู่ชีวิตที่เราทรงอยู่ก็ว่าง่ายส่อาหารเป็นสันติอาหารเก่าหมดไปอาหารใหม่ปุยเขาไว้ได้กายก็ทรงตัวได้ าอาหารใหม่หมดไปอาหารเก่าไม่ส่งไว้ไม่มีมันขาดเพราะตายคำว่าอาหารมีอยู่สีอย่างจะนำมาพูดจะเข้าเสียงที่จำเป็นอาหารก็หนึ่งการบริหารอาหารคือคำข้าวหมายถึงว่าอาหารที่เรากินเข้าไปเลือดและเนื้อในร่างกายก็จะส่งตัวอยู่ก็ใส่อาหารประเศษนี้ ในเมื่ออาหารประเภ น, นี้เจิมเข้าไปของใหม่ของเก่าหมดไปข็ใหม่เติมเข้าไปร่างกายมันก็สดแต่เมื่อแท้จริงๆนะไอ้เก่ามันตายไปแล้วมันจะใหม่แคเปรียบเทียบชีวิตของเราเหมือนกระดูกระแสน้าไหลน้ำที่ไหลจากเหลือมหาทาต้บรรเทมฝั่งแต่เป็นปกติ จะได้ว่าน้ําที่อยู่ตัวสายตาเราที่มองมันเป็ไม่เป็นน้าเก่ามันเป็นน้ําใหม่เพราน้ําใหม่มันไหลไปน้ํำน้ำน้ําเก่าไหลไปน้ําใหม่เข้ามาแทนแล้วก็มีการส่งตัวถ้าว่าพระจะเอาอะไรมากั้นเสียน้ําใหม่ที่ไหลมาไม่สามารถจะเข้าไปช่วยเชยน้ําเก่าที่ไหลหมดไปได้ด้านหลังนวลน้ําก็จะแห้ง ตอนนี้มีประมาณทันใดชีว wow, ิตของเราก็เหมือนกันถ้าอาหารคือการริบาระหารอาหารอะไรกับคำข้าวอาหารที่จริงเราไปมันไม่มีอะไรเข้าไปชดเชยของเก่าของอ่าองเก่าที่หมดไปมาได้ว่าเราอดข้าวเรากินอาหารไม่ได้ชีวิตมันก็ไปสุกไปเรียนน้อยๆในสุขศาสตร์มันก็หมดกําลังมันก็ตาย เป็นอนุภาชีว hmm. uh ิตของเราตายแน่ม huh. ีอีกอาหารหนึ่งนั่นก็คือผัดสาหารบางทีคนไม่ได้กินอาหารแต่ก็ยางไม่ตายอยู่ได้ถึงสิบวันยี่สิบวันเจ้าคิดว่าขาดอาหารแน่ทำไมไม่อยู่ได้อันนี่างหนึ่งที่มันมีอยู่ก็คือผัดสาหารผัดสาหารนี่ก็ได้จะลมให้ใจเขาออก ขณะใดที่เราไม ใ, ใจเข้ารหราไม่ใจออกยังมีอยู่เราก็มีชีวิตอยู่ถ้าเราไม ใ, ใจให้ใจเข้าแล้วไม่ให้ใจออกหรือว่าให้ใจออกแล้วไมใ่ใจเข้าเราก็ตายแล้วก็เจตน า, าอาหารอาหารนี่อย่างหนึ่งที่สร้างกำลังใจชุมชื้นแสดงความตั้งใจอยากจะได้อะไรได้อยางนั้นสมหวังนี่เป็นเจตนาอาหาร ว่ามีวนกินอาหารนั่นแหละแตนเวลาหารภาษาาหารเย็นอาหารอมามาเริ่มกินเรื่อมันโน้นทเจตนาาหารนะเจตนาแรกเราเอาแค่นี้แหละมันมีความสําคัญลงความให้คิดไม่เสมอว่าชีวิตของเราจะต้องตายแล้วก็จงอย่าไปคิดว่ามันจะตายไม่แต่เคยมองเห็นไหม ก็คนที่ยังไม่แก่และตายมีโถมไปที่นั้นองค์สมเด็จระจอมตรภูมิศักดิ์สันดาห์สมมาเจพระพุทธเจ้าย่าต้องแนะนำว่าให้ทุกคนนึกถึงความตายไว้เป็นปกติคือคิดว่าเราจะาตายเดี๋ยวนี้อยู่เสมอเราจะได้สร้างความดี เป็นการได้ประมาแต่ชีวิตเพราะการตายไม่มีนิมิตการตายไม่มีเปา้าหมายเว้นไว้ใช่ว่าเราจะได้ยานพิเศษสัมมาการลุพถิกรรมฐานจึงในชาตินี้เป็นพิเศษสมามารถลเวลาตายได้ไไตแต่ที่ไรไรแต่ก่อนหรืกว่าตายแต่ก่อนที่เราจะต า, า, ายเราจะทํ า, าะทอะไรเราโม่งนิพพานเป็นที่ไป กายเกิดเป็นคนคนดีเป็นนิวรดายคนดีเป็นครงคนดีมันเป็นปัจจัยของความทุกข์มันไม่สุขจะเกิดทำไมัยสเกจะไปได้ยังไงทีานมองดูในพุทธเจริญต่อไปต่อไปองค์สมเด็จในจอมใจพระมัสสัญญาให้เจริญตามความจริง ว่าร่างกายก็อนี้มันมีธาตุสีเท่านั้นที่ทรงเป็นเรือนร่างคือธาตุดินตัดไปธาตุลมธาตน้ำํำน้ำเลืกะดูกกับกายไตปอดเป็นธาตุดินน้ำเลือด น, น้ำเหลียวน้ำหนองไฟใยร่างกา ย, ายที่เป็นน้ำํำในคือธาตุน้ําลมให้ใจเข้าใออกเป็นธาตุลม ความอบอุ่นในร่างกายเป็นขาดไปและท่านใจมองต่อไปว่าร่างกายที่ประกอบไปด้วยธาตุาสีเนี่ยมัเป็นสุขหรืนทุกขเราก็เห็นว่าเป็นทุกข์ทุกวันผิวทุกวันแอร์หายทุกวันทำงานเหนื่อยทุกวันร้อนทุกวันหนาวทุกวั น, นก็จะมีทุกอย่างงานที่เราหยุดหยุดทำ เราทำเพราะอะไรเราทําเพราะหัว ห, วหวร่างกายแต่ร่างกายจงอยู่ความเหน็ดเหนืในกายของความทุกข์และก็มองไปดูดจุดถ้าในกายที่ประกอบด้วยธาตุสี่เนี่ยมันมีความสะอาดแล้วมันสกุรบกถ้าหากว่าเราจะไม่อาบน้ําสักเ็ดวันจะเป็นยังไง ใน ไ, ได้ดูรอนในแค่สองวันอย่างนี้พอกระมัแล้วไม่อาบน้ำแต่วันสองวันเราจะดูร้อนเน่้อกายมันก็เข้ามารบกวนร่างกายเหนียวเหอนอะเหน็ดสาบเป็นสาเราก็อังเกลียดเพาะมันสนกปรกเรนนี่่าาตุสีที่ไม่มีการตรงตัวมีการเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปสลายตัวนี้จะตาย น่าจะนั่นมันยังมีความาสขปรกเป็นพื้นฐานอะไรกันที่เสียนมาตึมนาข้างนอกไม่ขา้างในมันสขปรกมากมีอะไรบ้างที่น่ารังเกียจเลือดที่เราคิดว่ามันดีล้วก็ ร, รังเกียจเวลาเป็นไลนหลออกมาน้ำเหลืองน้ำหนองเต็มหักเปนเลสอุจาระปัสสาวะ ทั้งหมดมันอยู่ในร่างกายข้างในมันเต็มบริการสุขภพรวมความว่าร่างกายนี้จะต้องตายร่างกายจะต้องเสี่ยงเขาก็เสี่ยงไปกันน้อยแต่น้อยจากเด็กโตขึ้นมาโตเต็มที่ก็เริ่มแก่แก่ในที่สุดก็ตายบางคนก็แก่ไม่มากก็ตายแก่วันสองวันตายก็มีบางคนตายด้วยการเข้ามาด่า บางคนอาจจะคันมานดาไม่นายก็ตายบางทีเจ็ดวันแปดวันก็ตายเก้าปีสองปีก็ตายเก้าปีสิปีตายตายไปเหยื่อถิ่นเหย่อต้องแก่ตายเสมอไปรูปภามไม่จะต้องตายวันนี้ถ้าเรามาคิดถึงมรณะนุสติกรรมฐานเก้าชาติสี่จะได้ผลอะไรบ้าง คนที่เรายจะคนได้ก็คือไม่ประมาทในชีวิตเสมอนึกถึงความตายเป็นอารมณ์คิดว่าถ้าเราตายครันี้เราไม่ขอเกิดเป็นมนุษย์ไม่ขอเกิดเป็นเทวดาไม่ขอเกิดเป็นคนขอปนิชยานเริ่มต้นเรียบเนียนไปก็มาจับว่าร่างกายที่เราเกาะได้ท่าสี่นี้มันเป็นทุกข์ร่างกายที่เราเกาะได้ท่าสี่มันสะกบก ร่างกายที่ประกอบด้วยธาตุสี่นีมม่มันเป็นอนัตตาคือมีการสลายตัวเป็นอันที่สุดเมืช้ามมันก็พังเราคือจิตเราในคำว่าเราไม่ใช่ร่างกายะเราคือจิตอารมณ์คิดนี่คือเราร่างกายมันพังเราไม่ได้พังถ้าเราเคนายนิส่ยร่างกายนี้เป็นเราเป็นของเราไม่เลิกถึงความตายความประมาทในชีวิตไม่ก็มี ไม่แจ้งความดีเราไปนิพพานไม่ได้ข้อที่สามต่อไปพลในการก้าวจะไปนิพพานข้อนี้นะข้อที่สามนี่จะพระลงมรกกันเป็นแถวบวกกัแล้วก้าวทีเก้าเปอร์เซนลงมรกกันหมดจะไม่ลงกันบ้างก็รู้ได้นั่นก็คืออาหารตบริโภคสัญญา เรื่อความอารมณ์สีอย่างนี้พระเจ้ต้องทรงเป็นปกติสำหรับประวาตที่ปฏิบัติกรรมฐานก็จะต้องทรงเป็นปกติเพราะเราป็นพุทธคมมจันทร์เหมือนกันใจคิดว่าปรวาตไม่จําเป็นจําเป็นมากแต่วาาเวลานี้ไม่ใช่มาจะเลวกว่าเกาเสมอไปรักบทที่เลวกว่าประวาติี้เยอะ แต่ที่เสมาาอพระว่าก็มีเยอะที่ดีก็บพระวา่ามีไม่เยอะก็อะไรพวกนักบวชที่บวาชเข้ามาแล้วศีลสองรอยี่สิบเจ็ดไม่รู้ที่มันเป็นอะไรกันบ้างแั่สบบวชอยู่ในสังคมไหมก็ทำอะไรกันไม่ได้ดูเขาละฉันจะเรียนว่าใช่เคยทำอย่างไรมาฉันจะทําอย่างนั้น เขาแต่เขานั่งพักเทียร์เกียบร้อยรกนนังคาดมาทเขานั่งคาดมาท์เขอนนัเยียดขาเเดินกัด้วยความสงบระหวเดินเออดอองท่านผ้าองอัจเหมือนคราวว่าจิตเป็นักเรียนกินกนาสงบก็คุยนี่แสดว่าพวนี้เป็นตในรกานั้นไม่ไม่ไม่ไม่พระไม่เห็น มีสภาพเป็นสัตว์นรกก็เลยยังไม่ตายก็ราไม่ได้ดูสังคมไม่ได้ดูตัวเองว่าไอ้ตัวเองนั้นมันเป็นอะไรอยู่ในสมาธิผมไหนไม่ได้รู้สิตัวถ้าหน้ามองเห็นก็ยังไม่รู้สิตัวนี้มันคะเป็นผลมีสภาพอย่างเดียวคือเป็นสัตว์นรกการบวดไม่มีความหมายแค่การบวได้ทราบนิดเดียวคือนรก จะพูดให้ต่างต่อไปข้อนี้ที่พระวงนรกกันมากก็คือหาเรืปฏิปุระสัญญาแต่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าถ้าพระตนนี้ที่ทบหัวขามาในพระพุทธศาสนาก่อนจะบริโภคอาหารอาหารที่เราได้มานะั้ได้โดยไม่ก่อทำที่ว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาให้ ไปน้บาตรจะไม่เขาใส่เราแล้วรับมาแล้ ว, ว, ลวดีไม่ได้ขโมยเขาแต่ว่าเวลาที่อยากกินข้าวก็น่ามองที่ว่าอะไรมันอร่อยบ้างแล้วก็ต้องการไอ้สิ่งที่อร่อยเนี่ยมาไว้ใกล้ๆนั้นเนี่ยไปดูนะ้วก็ดินีให้ดีนะป้ะาเนี่ยดูให้ดีนะอย่าใส่คำว่าบวดกันนะก็ใส่ก็ว่าบวดเนี่ย ตั้งออกตั้งใจไว้เลยพราเราจะอยู่เอาวจีนานสัตว์ไร้งงแน่นอนไม่มีทางหลีกเลี่ยงถ้าตัวเลวจะเข้ามาอยู่เลยเเียดปูี่นี้จะบุคคลมีความหมายแน่นอนล้วเราเป็นสัตว์แต่าไเป็นสัตว์รกแน่แต้จะได้จจจเจ้าส่งจบสักที่ฉันอาหารที่เขาให้มาแล้วลดี แต่ว่าไม่ได้เจรณาป็นหารเยบริโคไดสุญญาอันเปรียบเทียบได้ว่ากินก้อนเหล็กที่เผาแดงโชนเผาแดงโชนริงเข้าไปทั้งปากปากกางทิ้งคอคอกลางทั้งอกอกกลางท้งท้องท้องกลางแล้วก็ตายดีกว่ากินอาหารที่ไม่ได้เจรณาเป็หารเลยบริโภคได้สุญญา ถ้าลูกว่าใดเขว่ากินอาหารที่แม่ได้ทิชนาเป็นาเรียบริอยพูดสัญญาก่อนเวลากินแล้วมันยังไม่ทั้งเวลาตายแล้วมันถั้งพอแไรก็ตกนรกตกนรกมันร้อนมันนายกว่าที่เรากินก้อนเหล็กแดงกินก้อนเหล็กแดงประเดี๋ยวเดียวมันก็ตายตายแล้วคนเลกร้อนเมื่อเราไปอยู่ในนรกกินกับกับแต่มันไม่อยู่นานเปลี่ยนไปมันร้อนมากกว่า เมืม่อเราทราบอย่างนี้แล้นเราจะทำยังไงพระพุทธเจ้าสอนีัไ ง, ไงอันนี้ทั้งพระทั้งคารวะต้องปฏิบัติเหมือนกันนะเพราะจชินนั่นไม่ได้ชินนี่ไม่ได้เรียนตัวรนารุไปเถอะไอเนี่ก็ไม่ชอบไอเนีก็ไม่ชอบต้บองดูตัวอย่างพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าขันเดลสวนทางกับนางบุญทาสีนางบุญทาสีเธอเอาแป้งเอาข้าวเอาเออมรำ อารางกับแป้งผสมกันทําเป็นตันจีติ้งแล้วก็หอชายพกมาชวนหน้าชวนทางพระพุทธเจ้าเธอเขาแก่ตันทีจะหอชายพกใส่าบาตรพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าประโซนรับเมืเ่อโซนรับแล้วพระพุทธเจ้าทำยังไงพอก็หอชายพั น, นงเลยชายพกไปชายพันนงเป็นพกเขาลงจกระเบน เรื่องนุ่งผ้าถึงเรืองตามันดีพุกกานาควไมหมายเรว่างห่อพระนมันดีพอเมื่อเพื่อนาบุญท้ายชี้ถวายใส่บาตรเสร็จสมเด็จพระอรหันต์โลกเจ้ามองดูพระอนุลพระอนุลทรงทราบคามต้องการเจ้ได้ฟูผ้าสังฆติลงกับข้าพานสมเด็จพระพุทธมีเสื้อผ้าแจกนั่งบนท้าสังฆติฉันเดียวนั่นทันที นี่ในฐานะที่เราเป็สศาสตร์ขยบมุท่านที่เราลดเรื่องโลกของพระพุเจ้าบทสมาธิว่าจเป็นการดูตัวอย่างพระพุทธเจ้าก่อนจะกินอะไรนั้นดูพระพุทธเจ้าที่สุขมันต้องทําตนโดยคนเลี้ยงง่ายหมายความว่าเอ า, าให้มา ย, งายังไงเราก็กินไปตามนั้นทำไมนั่นเลือกอะไรไม่ได้เลย นีก่การจะฉันอาหารท่านเอกตอนนี้ฉันอาหารทุกจางที่นายก่อนอาหารเนี่ยมันสกปรกอาหารทุกอย่างมาจากพื้นฐานากความสกปรกสดตัดทุกระเทศสกปรกหมดมีน้ําเลือดมีน้ําเหลือน้ำหนองมีอจาระมีปัสาวะมีไปเรื่องของสัตว์แล้วก็พือทั้งหมดมีปุ๋ยไปของสกปรก เวลามาแกงก็ดีมาต้งคนดีมันก็มีสภาพสุขรกเราไดเห็นว่าสุขบกได้ตอนจะกินเราไม่ได้คิดละมันิวพอเรากินแล้วนี่เหมืนข้าวเหมืนมือเหมนปากร่างมือร่างปากนี่ยห็ยังว่ามันสุขบกเล็วเมื่อกินเข้าไปแทไหเรากินคอสุขบกเข้าไปในท่อเราในทอเราไม่ก็สุขบก นี่สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นสร้างเป็นน้ารสร้างเป็นเลือดขึ้นมาสร้างล้วเลือดก็ไปเลี้ยงทำเป็นเลือดเป็นนาขึ้นมาเป็นกระดูกขึ้นมารื่ความในร่างกายก็สร้างในความสุงบอะไรก็ตอนนี้การกิงคิดยังไงก็กินเูื่อจะยังอาจภาพไปท่งยู่เท่านั้นถ้ามันมีกินยังไงก็ปินไปตามเรืองแต่หมายขอพระเจ้าเรื่องอะไรไม่ได้เลย ถ้ามีระบาดให้มันได้แค่ไหนก็พียงแค่นั้นาป่าชาวโดเก็ใส่อะไรให้มาถ้าอดันก็ได้เลือดไม่ได้าพรได้เจ้ า, จาท่านเป็นกษัตริย์แกลืมและก็ท่านเป็นรพระเจา้าโดยท่านไม่เลือดเราลายสอ น, นทุกย่านก็ตอ้ตนนองพิจารณา่อนให้สิ่งทั้งหลายเหล่า น, น, นี้มันสปกตกนันหมายถงเป็นส ร, ร้าง่างกายร่างกายเราคนดี ร่างกายบุคคลอื่นก็ดีมันสะอาดและสุขภกของที่สร้างในสุขภกมันจะสะอาดและมันจะสุขกตลองที่จํำดูคิดถ้ามันเห็นฟัแล้วก็คิดด้วยจะเห็นเล้ว่าร่างกายเราสุขภพจริงๆไม่ต่อริมวายนะจาระสุขภพจะอาด อาหารที่เรากินเลือดแล้วเลือดอีกพอเป็นกาดพอเปิจาระออกมาถ่ายแล้วไม่อยากมองดูสกปรกน้ำจะกินก็ได้เลือดเป็นน้ําที่สะอาดน้ำที่ดีแล้วบก็ต้กินน้ากลั่มน้ํากลองถ้เอามาเป็นสัตว์ป่าว่าล้วก็รังเกียจสะอาดจะสกปรกหละนมีเลือดนั่นเหลือเลี้งหนอสะอาดจะสกปรกนมีรายสะอาดจะสกปรก น้ำลายอยู่ในปากอมได้คืนได้ข บ, บ้วนมาแล้วมือแตะไม่ได้ละเกียดที่มันสกปรกเรื่องความเรากินอหารสกปรกเข้าไปได้่ากายเราก็สกปรกร่างกายคนอื่นก็สกปรกผลที่มันยันได้ตรงนี้ได้อะไรรู้ไหมผลที่มันยันได้ตรงนี้ก็คือได้มิิฉาญาณ นอกจากพยาศกระปบกต้วกเอาเสียมไป ท, ทุกวันทุกวันทุกวันไม่ช้ามันก็พังแล้วก็ตายถ้าที่เจนมาได้กันนี้มาสามข้อเนี่ยหนึ่งร่างกายเกิดไปแล้วต้ตายคิดให้ดีนะใค่ายคนไปด้วยแสองร่างกายประกอบด้วยธาตุสี่ธาตุน้ำธาตุดินธานุลมธาตไฟ แบ่งไดการสาริสองเต็มปิความสุขภพนอกจากสุขภก็มีอะไรบ้างหนึ่งแปนิจังไม่เที่ยงขึ้นทุกซ้อมไปทุกวันอาการทุกซ์เกิดขึ้นความกางกรที่กระป๋าหมดไปเขาเป็นทุกขังคึ้เป็นตัวทุกในที่สุดเขาถึงจุดความพังเสียดาย อิจมองดูเท่าไรกายว่ามันน่าเบื่อหรือว่าน่ารักดีไหมเกิดมาตั้งแต่ใบเตยถึงมันทายเต็มในความเห็ก่อยเต็มใความปรมานเป็นขอดีและของเลวต้องทำด้วยอาหารอาหารจะต้องพิจิรณาปัญหารื่อบริโภคแลัญญาอาหารมาจะขื้นหารสกโปร ปอดีกูะสัญญาก็บาบอกจำได้ว่าอาหารนี่มาจากพื้นฐานสัญญาจะจำปอดีกูนแปลว่าสุกอบกมหาเรียเห็นว่าอาหารเนี่ยมาจากพื้นฐานในการสุรกอบกมองดูปานจริงในเมื่อมันสกอบกเรากินขอสุกอบกเราก็าต้องกินกินขึ้นอยู่ จากนั้นเลมื่อกินมันสกปรกแล้วกินิเพื่ออยู่เพว่อสกปรกแต่จะอยู่เฉยอยู่เพื่อไปผนิตผลตอนนี้พราอะไรมองดูเพื่อน่าร่ากายต้องตายมองดูมาริสังนิสาสีเต็มไปด้วยความสกบรกเสื่อมไปทุกวันได้สุกภ็ัง อาหาเรียกจริงเข้าไปก็มีความสกปรกแต่ไม่สามารถจะโตโตและจัดการตลอดสมัยไม่ตายก็ตายถ้าเระเกิดอยุมแบบนี้ต่อไปอะไรมันจะดีบ้างตัวธรรมชาติจะนามาตามนี้นะมันตัดการมมาชันท้ได้เลยนะถ้าไิเจรณาจริงจริงนะมันตัดการมมาันทะาได้เลยนี่ตัวนี้เป็นตัวของนาคาเมี ตัวนาคามีด้วยตัวอรหันต์ด้วยเห็นว่าแรงกายตายใต้เป็นสมถะที่ว่าแรงกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเมื่อที่ไรฟังที่นั่นเป็นวิปัสนาเป็นสกายาติกิตายเป็นมรณานุสติเห็นว่าไม่ใช่เราไม่ใช่เรามันตายโดยวิติเป็นสกายาติจิเป็นวิปัสนาญาณ ตอนนี้เรามองวเนี่ยจริตนี้เป็นจริตของอรหันต์ต่อไปทำยังไงในเมื่อมันไม่ดีแล้วก็วางมันเสียวิธีวางไม่คิดปล่อยเลยเข้าใจปล่อยที่ว่าร่างกายที่เกิดมาเพื่อตายอย่างนี้ร่างกายที่ประกรอบไปด้วยธาตุสี่แบ่งวกการสาสองเต็ไมไปด้วยความสงบ มีกายเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปแล้วก็สลายตัวร่างกายจะต้องได้หาสระตกอย่างนี้เป็นของไม่ดีร่างกายประเภศนี้จะไม่มีสําหรับเราเราทําไงตั้งใจเฉพาะพระนิพพานเป็นอารมณ์ที่เรียกกันว่าอุปสมานและสติปัฏฐานเรื่อความว่าทุกลรให้ใจเขาออกเราทําทุกอย่างตามดีเพื่อพระนิพพานนี่จบ อะ้ไรจบอะไรจบในสุภัศจริตพรางรันดาทุกท่านใช้อารมณ์คิดอย่างนี้เป็นปกติให้การใช้มโนยุทธิของท่านใช้เมื่อไรมันจะได้เมือนั้นและว่าใช้เมื่อไรจะมีอารมณ์แจ่มใสมานั้นทำว่าเมื่อํมว่ามัวเรี่กว่าเห็นไม่ชัดมวงเกินไปจะไม่มีแกท่านผู้ทรงกรรมนในสุทัศจริต ลราต่อที่นี่ไปก็บันได้สาวกองคำว่าความเดชธรรมาสมาธิมีเป็นวิสุทิสมณนโนบารสุปบาติกาถ้าบาียนมาใหม่ก็ไม่เพื่อจะไม่เข้าใจถ้าต้านใจภาวนาว่าลมัคปะทะเวลาให้ใจเข้าไน่ก็นะมัเวลาให้ใจออกละว่าปะทเสรัดภายในแล้วให้รวบรวมกาลังใจติดการจัดทินใจตัดสกายละทิฏฐิ ได้ไม่ยึดอะไรของโลกทั้งหมดจิตต้องการอย่างเดียวคือผลิพันธ์แล้เพ่งจะกาอหน้าไปตัวผลิพันธ์ยิ่กว่าจะได้ยินทุ้ยานบอกว่าเวลาแต่ตลับท่านมาใหม่ตัวทราบว่าได้ยินเียงกริสดจะเพิ่ลืมตานะเป็นเวลาที่ตผู้ฝึกจะประเนั่งฟันเรื่องธรดา